เรื่องพราหมณ์ถวายงาและน้ำพึ่งสองสมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งมีงาใหม่และน้ำพึ่งใหม่ครั้งนั้นพราหมณ์นั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าอยากระนั้นเลยเราพึงถวายงาใหม่และน้ำพึ่งใหม่แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรพราหมณ์นั้นผู้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ โปรดรับพัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ ค, ครั้งนั้นพรามนั้นทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงกลับไปเมื่อผ่านราตรีนั้นไปพรามสั่งให้เตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตแล้ว ให้คนไปกราบทูลพัตตการพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมผู้เจริญถึงเวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศของพราหมณ์มพร้อมภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนพระพุทธอาจที่จัดถวาย เขาได้นำของเคี้ยวของฉันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัดตาหารแล้วละพระหัตจากบาทจึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พรามนั้นเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติ เราใจให้อาฐานแกล้วกล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วส่งลุกจากอาสนะเสด็จกลับเมื่อพระองค์เสด็จกลับไม่นานพรามนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราตั้งใจว่าจะถวายงาใหม่และน้ำผึ้งใหม่ จึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่กลับลืมเสียเราพึงให้เขาจัดงาใหม่และน้ำพึ่งใหม่บรรจุขวดและหม้อนำไปอารามแล้วให้จัดงาใหม่และน้ำพึ่งใหม่บรรจุขวดและหม้อนำไปอารามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ รั้นถึงแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์ตั้งใจจะถวายงาใหม่และน้าพึ่งใหม่จึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่ลืมถวายขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดรับงาใหม่และน้าพึ่งใหม่ของข้าพระองค์เถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามถ้าเช่นนั้นท่านจงถวายภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นเป็นคราวข้าวยากหมากแพงภิกษุทั้งหลายรับของเล็กน้อยแล้วห้ามเสียบ้างพิจารณาแล้วห้ามเสียบ้างเป็นอันว่าพระสงฆ์ล้วนเป็นผู้บอกห้ามพัฒนาแล้วทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคนพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรับประเคนฉันเถิดเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพัฒตาหารแล้วฉันโภชนาหารที่ไม่เป็นเดนที่นำมาจากที่ฉันได้